แล้วก็วันนี้ก็ทิดทั้งหลายที่บวชในวัดหลวงพ่อที่พระนวกกะสิบกว่าองค์ก็ได้ลาสิกขาไปมื้อเช้าหลวงพ่อก็ได้เน้นหนักเี่ยกับพวกทิดทั้งหลายเหมือนกันนะออกไปอย่าไปฉลองเนาะอย่าไปฉลองเอาเหล้ามาฉลองไม่ได้นะเมื่อเราศึกออกไปถ้าใครมาหาเราเลีเ้ยงน้ําเลี้ยงท่าธรรมดา แล้วก็มาเข้ามาเดี๋ยวผมไปรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดมีเรื่องที่จะพูดให้ฟังประสบประการณ์ในสามเดือนมีอะไรบ้างอ่ามาฟังอย่างนั้นมันจึงจะถูกนะไม่ใช่มาแล้วก็เอากลมเอาแบนมาเลี้ยงกัน่ะมาเลี้ยงฉลองไม่ได้อันนั้นไม่ถูกมันควรจะเอาธรรมะไปแจกจ่ายเขามันจึงจะถูกแล้วก็พอ พร้อมกันก็หลวงพ่อก็บอกวันเห็นไหมคนมาวัดของหลวงพ่อเนี่ยอวดกับพวกขี้เหล้าทั้งหลายได้เลยนะคนขี้เหล้าทั้งหลายโอ้ยถ้าไม่กินเหล้าเน่ะก็ไม่มีหมูมีเพื่อ น, เ, นเลยจาเป็นต้องกินเหล้าหลวงพ่อก็เลยบอกโอ้ถ้าหลวงพ่อกินเหล้าคนคงจะมามากกว่าเมื่อวาน เ, น, เนีอยถ้าหลวงพ่อกินเหล้าคนคงจะมาก มากกว่าเมื่อวานีขนาดลุงพ่อไม่กินเหล้าคนก็นยังมากขนาดนี้ถ้าลุงพ่อกินเหล้าคงจะมากกว่านี้กำมังเนี่ยฮนี่แหละให้ลูกหลานได้คิดเหมือนกันนะขนาดลุงพ่อเป็นยังไงลุงพ่อกินเหล้าแล้วไม่กินเหล้าเหมือนกันนะนั่นถึงคนมามากถึงขนาดนี้เพราะฉนั้นพวกลูกหลานจะี๋ยวไปเหอะว่ากินเหล้าจะก่อนยังค่อยมีหมูมีเพื่อนข้อสําคัญให้เราเป็นคนดีเท่านั้นแหละเมื่อเราเป็นคนดีเป็นที่พึ่งพาอาศัยของ ผู้ของคนของหมู่ของเพื่อนได้เขาก็เป็นหมู่เป็นเพื่อนเราได้พร้อมที่จะเป็นหมู่เป็นเพื่อนเราได้ไปที่ไหนเขาก็ไม่อับอายขายหน้าเพราะเราเป็นคนดีนะมีน้ำใจเสียสละแต่แตามจริงคานี้เราค็รู้จักประมาณตนเหมือนกันเห็นช้างขี่ขี้ตามช้างก็ไม่ได้เราเป็นมดเราก็ต้องวางตัวอย่างมด ในเมื่อเราเป็นช้างเราก็จะไปทำอย่างมดก็ไม่ได้เราก็ทำตัวอย่างช้างก็ต้องให้รู้จักสถานะของตนเองถ้าใช้ปัญญาทุกอย่างก็จะต้องไปได้ดีทั้งนั้นแแต่ว่าถ้าใช้ความเสื่อความโง่ความซื่อบือ้อแล้วก็อย่างว่านะไปที่ไหนก็ขวางเขาหมดเป็นพระก็ขวางพระเป็นโยมก็ขวางโยมขาราชการก็ขวางขาราชการเป็นพ่อค้าประชาชนก็ขวางเขาไปหมดเป็นลูกก็ขวางพ่อขวางแม่ เมื่อเป็นพ่อเป็นแม่เขาถูกขวางลูกขวางวงสาขนาญาิเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรอบคอบไม่รู้จักสถานะของตนเองการเป็นอยู่วางตัวไม่ถูกเพาะงั้นถ้าวางตัวถูกแล้วนั่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะลงล็อกลงรอยกันได้ไม่ขวางใครไปได้ดีพอเราอยู่ในสถานะนี้เราจะแก้ไขยังไง ถ้ามีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเราควรจะปรับปรุงแก้ไขใคร เ, เขาหรือเรานะเถ้าเขาปรับปรุงไม่ได้เราก็ต้องหลีกหนีขยับให้ห่าง เ, เราจะไปใกล้พาละชนนะเราก็ต้องหลบปลีกไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเราก็พยายามจะซ้อนเขาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นในหลักพระวินัยพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราเห็นไหมในพระวินัย เราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข่มีร่มในมือมีไม้พองในมือมีชัตราในมือมีอาวุธในมือสวมเขียงเท้าสวมรองเท้านั่งอยู่อาณนะัสูงฮทําไมเมื่อเราเป็นครว่าต์ก็เหมือนกันเราจะไปสอนใครเราจะไปแนะนําใครเราจะมองใครถ้าเขาไม่ให้ความเคารพเรา เราก็ไม่ควรจะไปบอกกล่าวเขาไม่ใช่ว่าเขาถือปืนถือมีดอยู่อย่าไปสอนเขาเนี่ยถึงเพ้อเผ้อเขาฆ่าเราอีกต่างหากถ้าเป็นลักษณะนั้นเราก็ต้องหลบหนีให้ห่างพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปแสดงธรรมแก่คนมีชัตตราอาวุธในมือฮคือไม่ให้พูดให้กล่าวเลยเห็นถึงจะแสดงธรรมยังไงก็ตามอย่าไปแสดงให้เขาฟังเพราะว่ามันเป็นอันตรายถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละ ทั้งที่เราจะไปพูดให้เขาเขาเอมมีดมาจิ้มหน้าอกของเราอีกต่างหากเพราะนั้นท่านจึงให้รู้จักการเทศะในการพูดในการแนะนำสั่งสอนไม่เชื่อว่าไปที่ไหนก็พร่ำไปเรื่อยก็ไม่ใช่เราต้องรูซะก่อนสถานะนี้เป็นยังไงชุมชนนี้เป็นยังไงเขาอยู่ในความสงบไหมพอที่จะฝาพูดแนะนำเขาให้เข้าใจในธรรมะเนื้อหาสาระได้ไหม นี่สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันเมื่อเราไปเป็นหัวหน้าคนงานก็ดีทำมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามใจเย็นๆนะพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ทั้งนั้นนะ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือของคราวาตอย่างที่ลุงพ่อได้พูดแนะนําแล้วแนะนําอีกสําหรับผู้ที่จะไปเป็นคราวาัตคราวัตแตทำรมของคราวาตสี่อย่างลุงพ่อเน้นหนักไว้แล้ว สัจจะให้มีความจริงจังจริงใจให้มีสัจจะในตัวเองอย่าเป็นคนเหลอะและสัจจะธรรมะก็ให้รู้จักข่มจิตของตนที่หลวงพ่อพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนั่นให้รู้จักข่มข่มจิตของตนอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางเวลาโกรธโมโหโทโสโหให้แก่ใครอย่าไปใช้อารมณ์จนเกินงามมันไม่ดีเผลอแล้วอันตรายกับตนเองอีกต่างหาก ให้รู้จักข่มเอาไว้ธรรมะขันติให้มีความอดทนต่อหน้าที่การงานถึงจะหนักถึงจะเบาบ้างถึงจะร้อนถึงจะหนาวบ้างถึงจะพอใจไม่พอใจแต่ว่างานนี้จะต้องทำํำเราต้องใช้ความอดทนเป็นหลักเนี่ว่าขันติคือความอดทนจาคะคนที่มีจาคะอยู่กับชุมชนอยู่กับกลุ่มใดก็อยู่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่ก็เสียสละให้พ่อให้แม่จริงในที่ชวนจะเสียสละให้แก่ท่าน อยู่กับลูกน้องแล้วก็ควรจะเสียสละจุดไหนให้แก่ลูกน้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็เสียสละให้ในอย่างไหนให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในกรอบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไปตามทํานองครองธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วเราก็มีน้ําใจนี่แหละให้ห้อยจ่าฆ่าให้มีการเสียสละต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติอันนี้ก็คือคารวาทะธรรมธรรมของคารวะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ ถ้าพวกเราทำถูกต้องในคารวัตธรรมเนี่ยก็สงบพรมยินไปเปาะหนึ่งแล้วนะจากนั้นท่านก็สอนอีกว่าเมื่อเป็นคารวัตอุทธาน a สัมปทานะถึงเพถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอย่าไปขี้เกลียดขี้ค้านให้ขยันในการหาทรัพย์ในการเรียนหนังสือในการทำมาหาเลี้ยงชีพในบอกอุทธานสัมปท า, ปาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยัน รกคะสัมปทาเมื่อเราสะสะแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือเราเรียนหนังสือได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ตำแหน่งหน้าที่มาแล้วให้รักษาเอาไว้รักษาตำแหน่งคืออะไร เ, เราก็เป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่ใช้อารมณ์โมโหโทโสจนเขาแปกงานหรือเขาไล่ออกจากงานหรือเขาถอนวิชาอาชีพของเราใบประกอบ อาชีพของเราจนเขาถอนออกเนอันนี้แปลว่าเราไม่รักษาถ้าเรารักษาแล้วก็ให้รู้จักการวางตัวรักษาทรัพย์สมบัติได้มาแล้วก็ให้รักษาเพื่ออะไรรักษาไว้เพื่ออะไรเพื่ออนาคตวันพุ่งนี้มรืนนี้ปีหน้าหรือต่อไปภายภาคหน้าเรามีพ่อมีแม่พ่อมแม่มีแต่จะแก่เท่าชลาลงไปเลยลูกของเรามีแต่จะใหญ่ขึ้นมาเราจะ หาเงินอะไรเลี้ยงลูกเขาให้เรียนหนังสือเทียมเท่ากับคนอื่นเขาหรือเมื่อพ่อแม่มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้เงินเราควรจะต้องเตรียมเก็บเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้แหละเป็นว่าราคาสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความรักษาก็คือให้มองไปไกลในอนาคตมันไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันตอนนี้อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องคิดอีกเหมือนกัน อันนี้แล้วว่าราคาสัมปทานรักษาทรัพย์ไว้เพื่ออนาคตกัรยานามิตตาให้ครบเพื่อนผงที่ดีงามอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาบวชในสำนักหลวงพ่อปีนี้ส10กว่าองค์น่กลาสิขาไปเมื่อเช้าหน่าไสี่องค์ที่พระนวากาศทั้งหมดเป็นข้าราชการก็มีตำรวจก็มีพ่อค้าก็มีครูบาอาจารย์ก็มีหลายระดับที่มาบวช ทุกวิชาอาชีพเนี่ยในเมื่อพวกเราอาสิก้าไปเมื่ออยู่ด้วยกันเราก็จะได้ถามถ่ายกันเออคนนั้นอยู่นี่คนนี้อยู่นั้นถาไปอยู่ที่นั่นเออเป็นยังไงออผมไปที่นั่นรถของผมเสียนะเดี๋ยวอยู่ที่นี่คนนี้เออเดี๋ยวผมจะไปช่วยนะถ้าคนมีหมู่มีเพื่อนมากดีทั้งนั้นแหละถ้าคนไม่มีหมู่มีเพื่อนไปที่ไหนไม่ดี หเห็นไหมหลวงพ่อที่เมื่อวานเนี่ยหมู่เพื่อนหลวงพ่อมีมากหลวงพ่อไปช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เตาที่ไหนเตาที่ไหนหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังแต่ท่านเหล่านั้นนะว่าเออหลวงพ่อได้มาช่วยพวกเราเรากดการงานปีหนึ่งก็น่าจะไปหาไปเจอหลวงพ่อบ้างฮะเขากหลังไหลามาเนี่ยแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้มุ่งหวังจากสิ่งเหล่านั้นแต่หลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อก็ช่วยด้วยน้ําใจน้ําใสใจจริงวะเนี่ยไม่หวังอะไรตอบแทนอีกต่างหากไง นี่แหละความที่ไม่หวังตอบแทนนี่แหละมันก็เลยเหมือนกับตอบแทนทึกๆทางด้านจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนนะแต่ถ้าว่าเราปให้ไปนี่แหละให้สิ่งนั้นตอบแทนมาอันนั้นไม่ได้เพราะตอบแทนจบแล้วมันกระจบไปแต่นี่ถ้าเราไม่หวังความตอบแทนนี่นะมันอยู่ในจิตใจของแต่ละคนนี่แหละอันนี้คือการระยาณมิตรให้คบเพื่อนทักคนไหนเป็นเพื่อนที่ดีงามเราควรจะคบอถ้าดูๆแล้วคบไปแล้วมีแต่ทางหายนะ มีแต่ทางไม่ดีมีแตรชักชวนไปในทางที่ไม่ดีครบไปแล้วมองดูแล้วไม่ได้เรื่องอันนั้นเราก็ต้องห่างออกเหมือนกันไม่ใช่กันระยาณมิตรนะเป็นปาประ ith. มิตรมิตรที่ชั่วมิตรที่ไม่ดีเราก็ต้องหลีกให้ห่างอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนรุ่นเดียวบวชกันแล้วจะดีทั้งหมดก็ไม่ใช่ถ้าดูแล้วคบไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องห่างอีกเหมือนกันอันนี้เราอะการยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงาม คนมีหมู่มีเพื่อนมากดีคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งเป็นทหารถ้าลูกหลานของเราเกิดมาเออไปอยู่ที่นั่นนะป้าลุงนะั้นนะบวชในรุ่นเราวเขาเดียวกับพ่อเนี่แหละไปหาเขานะดูนะโทรศัพท์ไปบอกกาวแหมทางนุกขก็รับรองท่านี้ก็รับรองเป็นมิตรเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกกันมันก็ดีนะเนี่ยเพราะว่ากัญญยณามิตรนะเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีงามสัมมาชีวิตา เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงเขาอย่าไปป่นไปฆ่าไปคดไปโกงเขามาเลียเเปปเ้ยงชีวิตของเราถ้าเราไปคดไปโกงไปป้นมาเลี้ยงชีวิตของเรามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเราเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังของเราเนะี่ยไม่ได้อันนั้นแปลว่าถึงอยู่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับถึงเขาไม่พูดต่อหน้าเขาก็พูดรับหลังต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราตายไปแล้วเขาก็ยังพูดเนี่ยนะยุคนั้นนะโกงฮ เมื่อเขาเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเขาโกงบ้านโกงเมืองอนะโกงใครกับใครนะก่อนที่เขาจะร่ํารวยขนาดนี้ยนะมันเกี่ยนเป็นเกียรติประวัติที่ไม่ดีของตอนเองทั้งนั้นเราต้องการหรือเมื่อได้รับในยศถาบรรดาศักมาแล้วคนเขาดา่าทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ไม่เป็นมงคลเ อ, อไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของลูกของหลานอีกเหมือนกันนะั่นแหละเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรามาวิเคาเราะห์นํามาพิจารณาแต่และคําพูดหรือ แ, แต่และเรื่องที่พระพุทธเจ้าบัญญัติที่พูดเอาไว้นั้นล้วนแล้วจะเป็นเนื้อหาสาระที่กว้างขวางนํามาประพฤติปฏิบัติเป็นรูปธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ได้ทั้งนั้นวิทยาศาสตร์คือการแตะต้องได้หรือว่าการเห็นได้การกระทําอย่างนั้นอันนี้ว่าธรรมของครวัตทิฏฐธรรมมีตุณประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบัน4อย่าง อุทานะสัมปทารักขะสัมปทากัลยาณมิตตาสัมมาชีวิตาเนี่ยพระพุทธเจ้าจัดเป็นสี่สี่เหมือนกันนะแล้วก็พร้อมกันนะเมื่อเราแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วมีเรามีตระกูลแล้วเนี่ยเราตั้งหลักตั้งฐานได้แล้วอันนี้ก็อย่าลืมตัวอีกต่างหากอย่างพอเขาว่าเรียกว่าอาเซียอาเซียนั้นนะลืมตัวอีกเล่เนี่อ ไปหากินเหล้าบัางไปหาเล่นการปนันบ้างไปคบผู้หญิงบ้างลวงตาถาว่าเมียน้อยเมียน้อยเนี่ยไม่ใช่เมียน้อยแต่คนคนเมียมากงั้นเถอะไปหาเมียน้อยไม่ใช่เมียน้อยเลยเมีม ย, ย ม, มากอยุ่งเหยิงวุ่นวายกันทั้งหมดเลยเพราะมันลืมตัวอันนี้ก็ให้ระวังเหมือนกันอาเซียหนุ่มทั้งหลายให้ระวังอย่าไปลืมตัวตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศีล 1>, 1. ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้ว 2. ไม่บูรณะพัสดุที่ค้คําคลาา 3. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศิลให้เป็นเจ้าของสมบัติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ทั้ง2 0 0พันกว่าปีถ้าเรานำมาวิเคราะห์เป็นข้อๆทีนี้ข้อหนึ่งไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วอย่างรถของเราหายสิ่งของของเราหายในบ้าน เราก็ไม่ได้สนใจมันหายแล้วก็ซื้อมาใหม่มันหายแล้วก็ซื้อมาใหม่ผลในสุดมันก็หายไปเรื่อยๆดิ้งเพราะไอ้คนที่จ้องขโมยก็จ้องเขาไม่ว่าอะไรแล้วเอาไปแล้วก็แล้วไปไงก็เลยหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าาว่ามันหายสิ่งไหนไงอรองเท้าเราหาเอ็กรองเท้าเราหา ย, า ว, าหายวะมันใครมาวะช่วงนั้นวะในมาใกล้แถวนี้วะมาแถบนี้ใครใครใครเห็นบ้างใครสงสัยใครบ้างวะรองเท้าตัวนี้มาสืบสอบดูซิ เป็นใครเอาไปวะมันทําไมเอารองเท้าเราไปวะเท็ดีเท่านั้นแหละต่างคนก็ต่างสืบสอบโอโ้ไม่ได้เท่าแก่อาเสียไม่ได้นะเอาจริงจังวะเผลอๆจะไล่ออกจากงานได้นะเนี่ยถ้าเราไปขโมยรองเท้าอย่างนี้นะนี่แหละให้ว่าใครๆก็ต้องระมัดระวังเขาจะไม่ขโมยของเราอันนี้แหละใครๆว่าไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วคือปล่อยปาละเลยเนี่ยมันจะเสียหายถ้าเราสแสวงหาให้เอาคืนมาเนี่ย ใครใครก็ไม่กล้าเลยใช่ออใครใครก็ไม่กล้าลูกน้องก็ให้ความเกรงใจหนึ่งี่แหละคือทําข้อหนึ่งแต่เราไม่สนใจมันจะหายไปเรื่อยๆหายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆผลที่สุดมันก็จะหายทั้งในตู้ในหีบเงินเพชรดินกินดามมันจะหายไปหมดเหมือนกันถ้าเราไม่ให้ความสนใจอันนี้ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ ค, ค้าคลากอันนี้ก็เป็นหนทางแห่งความจิบหายเหมือนกันรถมันเสียหน่อยนึง เออเราก็ไม่ซ่อมมันเสื้อผ้าของเราซื้อราคาแพงมันเพียงแต่เป็นรูดักเล็กเราพร้อมที่จะเย็บไม่มีใครเห็นเราเย็บหน่อยหนึ่งเราก็จะใช้ไปได้อีกนานอีกต่างหาแต่นี่เราทิ้งไปเพราะว่าเราไม่บูรณะมันไม่ซ่อมแซมมันอันนี้ก็เป็นหนทางแห่งความจิบหายเราซื้อมาใหม่อีกเสียเงินอีกเงินที่จะได้มานั้นไม่ใช่ของใดมาง่ายๆแล้วก็ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างล้างคาบ้านของเรารัว่วอย่างซาลาล้างแล้วน่น น่าจะขึ้นไปเปลี่ยนซะกระเบื้องแผ่นเดียวแต่เราก็ปล่อยลงมาผลที่สุดกระพื้นก็เปียกไม้มันกระพงขึ้นมาดันกันขึ้นมาที่ได้เสียหายเนี่มันไม่ใช่เสียหายกระเบื้องแผ่นเดียวกระเบื้องแผ่นเดียวเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทแต่ที่ความเสียหายเอาช่างมาซ่อมน่ะเป็นหมืน่นหมื่นบาทถิ่นนี่แหละอันนี้เราไม่บูรณนะพัสดุที่ค้ำคลากก็เป็นพ้นทางแห่งความจิบหายเหมือนกันรถลาของเราพอจะช่อมแซมได้สิ่งของที่เราพอจะซ่อมได้แล้วก็ช่อม ให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อันนี้ก็คือไม่รู้จักในการซ่อมแซมสิ่งของใช้อันนี้ก็เป็นข้นทางแห่งความจิบหายกที่สามว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอันนี้แปลว่าตรงจริงเลยว่างั้นเถอไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติเราอยู่ในสถานะไหนเราเป็นยังไงอาชีพของเราเป็นยังไง การทำมาหาเลี้ยงชีพของเราอยู่ในสถานะไหนถ้าใช้เกินตัวบริโภคเกินตัวใช้ชุรุ้ช่วยล่จนเกินตัวเป็นหนทางแหง่งความจีหายได้ชัดเจนในตัวนี้เพราะเหตุใด ไ, ไม่รู้จักประมาณตัวเห็นช้างขี่กับขี่ตามช้างเราเป็นมดจะไปขี่ก้อนใหญ่เหมือนช้างได้ยังไงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในการเงินขนาดไหนเราก็ต้องมองดูตัวของข้าไปเจ้า ข้าพเจ้ามีเงินเดือนเท่านี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีเงินขนาดนี้จะใช้ยังไงแต่ละเดือนค่าโทรศัพท์เท่าไหร่ค่าน้ําเท่าไหร่ข้าวไฟเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่อค่าลูกไปเรียนหนังสือเท่าไหร่เราเพียงพอไหมเราควรจะเก็บไว้เท่าไหร่อีกต่างหากเราจะเก็บไว้เท่าไหร่แต่ละเดือนเพื่ออนาคตของเราถ้ามีความจําเป็นเราจะได้ใช้ในอนาคตถ้ามันไม่พอเรากต้องสะแสวงหาอีก ทํางานนอกเวลาอีกทำงานเสริมเขาอีกขายกางขาายกาแฟเสริมเขาอีกเพื่อให้มันพอใช้ในแต่ละเดือนของเรานี่แหละอันนี้เคยรู้จักประมาณในการบริโภคถ้าหากว่าเราได้มอเตอร์ไซค์น่าจะเพียงพอไปซื้อรถปิกอัพเป็นหนี้สินเขาอีกพลุงพลังเงินเดือนที่เราใช้มาก็จะไม่พออยู่แล้วก็ไปยืมไปดาวดรถปิกอัพอีกพอรถปิกอัพได้แล้วดาวรถเก๋งอีกฮ ผลที่สุดพลุงพลังผลที่สุดเลยไม่เป็นตัวของตัวเลยเจ๊งว่า ง, งั้นนี่แหละไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นหนทางแห่งความจิบหายทางหนึ่งเหมือนกันข้อที่สตั้งสตรีหรือบุรุษทุศิลให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ก็เป็นหนทางแห่งความจิบหายตัวสกัดสกันอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าอย่างสามีภรรยาคู่ครองกันถ้า พ่อบ้านออกนอกลู่นอกทางไปเล่นบอลบังไปกินเหล้าบังไปเที่ยวสัมภเวทเมาบังไม่อยู่ในกรอบในร่องในลอยไม่อยู่ในกรอบของกฎกติกาแม่บ้านก็เป็นคนใจอ่อนพ่อบ้านต้องการเท่าไหร่เอาเงินด่ําเงินเดือนเงิ น, ง น, งนทํามาค้าขายให้พ่อบ้านมอบให้พ่อบ้านเป็นใหญ่หมดพ่อบ้านก็นั่นแหะได้ใจถะลุงไปหมดครอบครัวนั้นคิดดูก็แล้วกัน เจงว่างานแต่กระจุยกระจายไม่ได้ล่ะมอบสมบัติให้แก่คนผู้ทุศิลไม่อยู่ในร่องในลอยเป็นเจ้าของสมบัติทีนี้พ่อบ้านก็เหมือนกันเห็นว่าแม่บ้านใจใหญ่เที่ยวสมทะเลเทเมาไม่รู้จักการบ้านการเรือนไม่รู้จักรับผิดชอบในครอบครัวพ่อบ้านก็เกรงใจเอาเงินมอบให้เงินเดือนมาอะไรก็มอบให้แม่บ้านแม่บ้านก็ใช้ลูจุยแจก ผลในสุดกับพ่อบ้านนั่นแะเพอเพอจะติดคุกอีกต่างหากทีนี้เพราะอะไรเพ่อมอบสมบัติให้แก่แม่บ้านโดยแม่บ้านไม่อยู่ในกรอบของกฎเกณฑ์เป็นผู้ทุศิลป์ใครเข้า ม, มาไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมนี่แหละเป็นหนทางแห่งความจิบผายอีกเหมือนกันนี่แหละทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำเมาวิเคราะห์ดูเป็นข้อข้อแล้ว จะเป็นหนทางและเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้เดินทางเดินไปในทางที่ถูกต้องได้แต่ถ้าพวกเราไม่ได้นำมาวิเคราะห์นะครับทำคำส่งสอนก็อยู่ในตู้ในหีบอยู่ในกำไพถึงจะเป็นของเสร็จสวยงดงามของมีคุณค่าแต่ก็อยู่ในตู้ในหีบไม่ได้เอามาโชว์ไม่ได้เอามาให้แก่ใครๆได้รู้ได้เห็นก็เป็นของมีคุณค่าที่อยู่ใน ในพื้นปฐพีว่างั้นเถะถ้าว่าเราเอามาโชว์หรือเอามาแสดงหรือเอามาวิเคราะห์ อ, ออกมาแล้วเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นธรรมะที่นําไปสู่ความสุขความเจริญเป็นนิยามที่กระทำทั้งนั้นที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมขันเนี่ยพวกเราคิดให้ดูให้ดีกันแล้วกั น, นไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังไปยังไงไม่บูรณะพัสดุที่ค้ําคล้าเป็นยังไง ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติเป็นยังไงตั้งชัตรีหรือบุรุธธษทุศินให้เป็นเจ้าของสมบัติเป็นยังไงรุนแลรงจะเป็นหนทางแห่งความจีบหายตระกูลน้ามั่งคั่งตระกูลนั้นจะอยู่ไม่ได้ถาาว่าเราไม่รักษาในกฎกติกาสข้อนี้เอาไว้ให้ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้ที่จะไปเป็นครวาตก็ขอให้พวกเรานึกคิด ดูให้ดีเ อ, อตัวตราดูให้ดีอย่าให้ถล่มออกไปในทางที่มันไม่ดีถ้าไปในทางนู้นแล้วพ่อแม่พี่น้องของเราก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะ อ, อช่วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าตัวเองไม่ช่วยตนเองแล้วจะให้คนอื่นแบกอยู่ตลอดเวลาไม่พยุงตัวเองเลยตัวเองไม่ก้าวเดินเลยมิได้ให้คนอื่นแบกจะไวหวหรือเผลอๆก็ผักลงเหวลงบ่อใชนั้นเองนะเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะตัวเอง ไม่อตาเหต่อตาโนนาโถไม่ช่วยตนเองเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้งทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายพระวดัดญาโยมตลอดถึงหลวงพ่อด้วยว่างั้นเถิดต้องพยายามให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักการวางตัวอย่าลืมตัวอยู่ในทุกที่ทุกสถานรู้จักการบริหารจัดการกับตนเองบริหารจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่มาอยู่ใกล้เราให้รู้จักเก็บหอมรอมริบ ที่จะใช้ในอนาคตวางแผนอนาคตของตนเองไม่มีใครเลยจะวางแผนอนาคตของตัวเองยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะฉะนั้นขอให้ทิศทั้งหลายนะที่ลาสิกขาไปแล้วก็ให้นําคําที่หลวงพ่อแ น, น, นะนํำไปคิดไปพิจารณาไตรตรองแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อว่ามีแต่ความสุขความเจริญจะมาสู่พวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันกระยาเริ่มศีลและธรรม ไหว้พระสวดมนต์เมื่อมีโอกาสก็ น, นั่งภาวนาบ้างทำจิตใจให้สงบปังถ้าจิตใจมันปุ่งฟุ้งซ่านมากจริงๆเพอ้อๆเป็นบ้านนได้ง่ายๆเหมือนกันนะยิ่งเราอยู่ใ น, ในกิจการใหญ่ๆคู่คนเขามาเกี่ยวข้องมากๆถ้าเราไม่มีสมาธิลังทางจิตใจวิตปล่อยออกไปเรื่อยๆเพอ้อๆเนี่ยกว่าจะรู้ได้ตัวเองก็ผมยาวนะผมยาวลงยาวลงนะพลุงพลังเลยไม่อาบกระทางน้า ไปที่ไหนเหม็นคลุ้งไปหมดเห็นไหมอยู่ข้างถนนมันเป็นไปได้ทั้งนั้นะเพราะจิตใจของเราปล่อยออกนอกรูนอกทางจนเกินไปไม่มีสมาธิในการยับยั้งตัวเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่ทานนะถ้ามีสมาธิเป็นเครื่องร้างทางจิตใจแล้วความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายตรงพ่อเองไม่ได้แบ่งสารปันส่วนจากพวกท่านทั้งหลาย ที่แนะนําไปในกให้พวกท่านทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติถ้าพวกท่านทั้งหลายเป็นคนดีทุกคนเป็นคนดีพระดีถ้าอยู่เป็นพระก็เป็นพระที่ดีเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสที่ดีห <c oughs> ลวงพ่อก็เป็นที่พอใจแล้วเอเป็นพี่พอใจเพียงเท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากกว่านั้นเพราะทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้รับมาหลวงพ่อก็พอใจที่ได้รับมาประพฤติปฏิบัติเมื่อหลวงพ่อรับมาแล้ว หลวงพ่อเห็นคุณค่าหลวงพ่ออ็ทบายให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังอีกพวกท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วเออมีเหตุมีผลนํามาประพฤติปฏิบัติก็เกิดประโยชน์จากนั้นพวกท่านทั้งหลายก็บอกต่อกันไปอีกนี่แหละอันนี้คือของดีต้องบอกต่อกันไปเรื่อยๆไม่ใช่บอกแล้วเราต้องวิเคราะห์อีกนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดเท่นี้พวกท่านทั้งหลายเชื่อไหมที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยยังครับหลวงพ่อ เดี๋ยวพวกผมนำไปปฏิบัติก่อนอต้องลักษณะอย่างนั้นแต่ก็จะให้มันเกินไปนะให้ปฏิบัติตูก่อนออกไปกนะ็กินเหล้าจนหัวลาน้ำออกไปก็ไปตีคู่ตีคนต่อยตีเอาปืนยิงคนเข้าทำความชั่วเสียหายเพราะกินเหล้าเมาขาดสติผลที่สุดตัวเองเลยยังไม่ได้ฟื้นตวัวทดสอบแปลงเกินไปอย่างนั้นผลที่สุดเขาก็เลยตัดสินประหารชีวิตทั้ทงชีวิตนั้นก็จบลงไปเลย อันนั้นแปลว่าทดลองแรงเกินเกินไปจะให้ถึงขนาดนั้นถ้าถึงขนาดนั้นแปลว่าเราพวกเราโง่จนเกินไปขนาดหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วยังวิเคราะห์ไม่ออกนะพวกเราใช้การวิเคราะห์เพียงเคานั้นก็น่าจะเพียงพอไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเออใช่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราทําอย่างนั้นเพียงแค่นี้ก็น่าจะพอนะไม่น่าจะทําเป็นตัวอย่างหรือว่า <c oughs> เหมือนกับครูโรงเรียนสอนในโรงเรียนกับสอนศีลยังงั้นศีลธรรมอย่างงั้น สิลห้าอย่างงั้นพอออกมาแล้วก็ตั้งวงกันทเลยมากินเหล้านักเรียนก็ถามว่าอาจารย์ครับเมื่อสอนอยู่ในโรงเรียนอาจารย์กับว่าอย่าไปกินเหล้าจะไปกินเบียรแต่ทําไมครูอาจารย์จึงมาล้อมวงกันกินเหล้าอย่างนี้ไอ้อย่ามาสอนเราถ้าเราไม่รู้ซะก่อนจะไปสอนพวกเจ้าได้อย่างไรหัวเลยถ้าเราไม่กินเราไม่ทดลองดูก่อนจะไปสอนชู้เจ้าได้อย่างไร เพราะนั้นเราต้องกินซะก่อนจึงจะไปสอนชูเจ้าเอาขนาดนั้นมันก็แย่เกินไปในหลวงพ่อว่านนะอตอนนี้ไปรับพรอนุอ โ, นโมทนาให้พร